4. การดูจิตความหมายวิธีการและผลของการปฏิบัติเพื่อนใหม่ที่เข้ามาสู่ลานธรรมมักจะมีคำถามเสมอว่าการดูจิตคืออะไรทำอย่างไรดูแล้วมีผลอย่างไร คำตอบที่ได้รับจากหลายๆท่านค่อนข้างแยกเป็นส่วนๆวันนี้ผมขอโอกาสเล่าถึงการดูจิตในภาพรวมสักครั้งนะครับความหมายของการดูจิตคำว่าการดูจิตเป็นคำที่นักปฏิบัติกลุ่มหนึ่งบัญยัติขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายกันเองภายในกลุ่ม หมายถึงการเจริญเวทนาอนุปัสนาสติปัฏฐานทุกบัพพะจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานทุกบัพพะรวมถึงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานบางอย่างที่เป็นฝ่ายนามธรรมกล่าวอย่างย่อ ก, ก็คือการเจริญวิปัสนาด้วยอารมณ์ฝ่ายนามธรรมได้แก่การรู้จิตและเจตสิกนั่นเอง วิธีการเจริญวิปัสนาหรือดูจิตการเจริญวิปัสนาทุกประเภทรวมทั้งการดูจิตไม่มีอะไรมากเพียงแต่ให้ผู้ปฏิบัติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางเท่านั้นแต่จะรู้ได้ถูกต้องก็ต้อง1นึงมีจิตที่มีคุณภาพ และ 2. มีอารมณ์กรรมฐานที่ถูกต้องเท่านั้นซึ่งจิตที่มีคุณภาพสำหรับการทำสติปัฏฐานหรือวิปัสนาได้แก่จิตที่มีสติคือสัมมาสติสำประจัญญะคือสัมมาทิฐิและสัมมาสมาธิส่วนอารมณ์กรรมฐานที่ถูกต้องคืออารมณ์ที่มีตัวจริงที่สามารถแสดงไตรลักษณ์ได้หรือที่นักปฏิบัติมักจะเรียกว่าสภาวะ และนักปริยัติเรียกว่าอารมณ์ปรมัตเมื่อจะลงมือปฏิบัติก็ให้ 1. มีสติเฝ้ารู้ให้ทันคือมีสัมมาสติ 2. ถึงอารมณ์หรือสภาวธรรมที่กำลังปรากฏคือมีอารมณ์ปรมัติ 3. ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่เผลอสงสัยไปที่อื่น และไม่เพ่งจ้องบังคับจิตคือมีสัมมาสมาธิแล้ว4จิตจะรู้สภาวะธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงคือมีสัมปชัญญะหรือสัมมาทิฐิการมีสติเฝ้ารู้ให้ทนันหมายถึงสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้รู้เท่าทัน เช่นขณะนั้นรู้สึกมีความสุขก็ให้รู้ว่ามีความสุขเมื่อความสุขดับไปก็ให้รู้ว่าความสุขดับไปมีความโกรธก็รู้ว่ามีความโกรธเมื่อความโกรธดับไปก็รู้ว่าความโกรธดับไปเมื่อจิตมีความทยานอยากอันเป็นแรงผลักดันให้ออกยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้น กายใจก็ให้รู้ว่ามีแรงทยานอยากเป็นต้นอารมณ์หรือสภาวธรรมที่กําลังปรากฏต้องเป็นอารมณ์ของจริงไม่ใช่ของสมมติโดยผู้ปฏิบัติจะต้องจําแนกให้ออกว่าอันใดเป็นของจริงหรือปรมัต ธ, ธรรมอันใดเป็นของสมมติ หรือบัญญัติธรรมเช่นเมื่อจิตมีความสุขก็ต้องมีสติรู้ตรงเข้าไปที่ความรู้สึกสุขจริงๆเมื่อจิตมีความโกรธก็ต้องรู้ตรงเข้าไปที่สภาวะของความโกรธจริงๆเมื่อมีความหลังเลสงสัยก็ต้องรู้ตรงเข้าไปที่สภาวะของความหลังเลสงสัยจริงๆและเมื่อหัดรู้มากเข้าจะพบว่านามธรรมจานวนมาก พุดขึ้นที่อกหรือหาทแยวัตถุแต่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเที่ยวควานหาหาทแยวัตถุหากกิเลสเกิดขึ้นที่ไหนและดับลงที่ไหนก็รู้ที่นั้นก็แล้วกันครับถ้าเอาสติไปตั้งจอดูผิดที่เกิดก็จะไม่เห็นของจริงเช่นเอาสติไปจออยู่เหนือสะดือสองนิ้วจะไม่เห็นกิเลสอะไรนอกจากเห็นนิมิตเป็นต้น และการมีสติรู้ของจริงก็ไม่ใช่การคิดถามตนเองหรือคเนเอาว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์โกรธหรือไม่โกรธสงสัยหรือไม่สงสัยอยากหรือไม่อยากตรงจุดนี้สำคัญมากนะครับที่จะต้องรู้สภาวะธรรมหรือปรมาตรธรรมให้ได้เพราะมันคือพยานหรือแบบเรียน ที่จิตจะได้เรียนรู้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันจริงๆไม่ใช่แค่คิดๆเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมีสติรู้สภาวธรรมหรือปารมัตธรรมที่กำลังปรากฏแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตที่รู้ตัวตั้งมันไม่เผลอไปตามความคิดซึ่งจะเกิดตามหลังการรู้สภาวธรรม เช่นเมื่อเกิดสภาวะบางอย่างขึ้นในจิตอันนี้เป็นปรมัตธรรมถัดจากนั้นก็เกิดสมมุติบัญญัติว่านี้เรียกว่าราคะสมมุติตรงนี้ห้ามไม่ได้เพราะจิตเขามีธรรมชาติเป็นนักจำนักคิดผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปห้ามหรือปฏิเสธสมมุติบัญญตัติเพียงรู้ให้ทันอย่าได้เผลอ หรือหลงเพลินไปตามความคิดนึกพรุงแต่งนั้นหรือแม้แต่การลงไปคิดนึกเรื่องอื่นๆด้วยแล้วให้เฝ้ารู้สภาวะที่สมมติเรียกว่าราคะนั้นต่อไปในฐานะผู้สังเกตการจึงจะเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะอันนั้นได้ในทางกลับกันผู้ปฏิบัติที่ไปรู้สภาวะที่กำลังปรากฏ จะต้องไม่เพ่งใส่สภาวะนั้นด้วยเพราะถ้าเพ่งจิตจะกระด้างแล ะ, จะเจริญปัญญาไม่ได้แต่จิตจะจำและจับสภาวะอนั้นมาเป็นอารมณ์นิ่งๆแทนการรู้สภาวะจริงๆพึงให้จิตเป็นเพียงผู้สังเกตการเหมือนคนดูละครที่ไม่โดดก็ไปเล่นละครเสเองสภาพที่จิตทรงตัวตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนโยน ควรแกการงานโดยไม่เผลอและไม่เพ่งนี้แหละคือสัมมาสมาธิเป็นสภาพที่จิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงคือเมื่อจิตมีสติรู้อารมณ์ปรมัติ์ด้วยความตั้งมั่นไม่เผลอและไม่เพ่งจิตจะได้เรียนรู้ความจริงของปรมัตตธรรมอันนั้นๆ4ประการคือ1รู้สภาวะของมันที่ปรากฏขึ้น ตั้งอยู่และดับไปคือรู้ตัวสภาวะ 2. รู้ว่าเมื่อสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นแล้วมันมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรคือรู้บทบาทของสภาวะ 3. รู้ว่าถ้ามันแสดงบทบาทของมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือรู้ผลของสภาวะและเมื่อชํานาญมากเข้า เห็นสภาวะอันนั้นบ่อยครั้งเข้าก็จะสี่รู้ว่าเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจึงกระตุ้นให้สภาวะอันนั้นเกิดตามมาคือรู้เหตุใกล้ของสภาวะการที่จิตเป็นผู้สังเกตการและเรียนรู้หรือวิจัยรรมหรือธรรมวิจัยอันนี้เอง คือการเจริญปัญญาของจิตหรือสัมปชัญญะหรือสัมมาทิฐิตัวอย่างเช่นในขณะที่มองไปเห็นภาพภาพหนึ่งปรากฏตรงหน้าจิตเกิดจำได้หมายรู้ว่านั่นเป็นภาพสาวงามแล้วสภาวธรรมบางอย่างก็เกิดขึ้นในจิตซึ่งเมื่อบัญญัติทีหลังก็เรียกว่าราคะ การรู้สภาวะที่แปลกปลอมขึ้นในจิตนั่นแหละคือการรู้ตัวสภาวะของมันและก็รู้ว่ามันมีบทบาทหรืออิทธิพลดึงดูดให้จิตหลงเพลินพอใจไปกับภาพที่เห็นนั้นผลก็คือจิตถูกราคะครอบงำให้คิดให้ทาให้อยากไปตามอำนาจบงการของราคะและเมื่อรู้ทันราคะมากเข้าก็จะรู้ว่า การเห็นภาพที่สวยงามเป็นเหตุใกล้ให้เกิดราคะจึงจำเป็นจะต้องคอยเฝ้าระวังสังเกตขณะที่ตากระทบรูปให้มากขึ้นเป็นต้นในส่วนตัวสภาวะของราคะเองเมื่อผู้ปฏิบัติมีสติรู้อยู่นั้นมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นทันทีคือระดับความเข้มของราคะ จะไม่คงที่มันตั้งอยู่ไม่นานเมื่อหมดกำลังเพราะเราไม่ได้หาเหตุใหม่มาเพิ่มให้มันคือย้อนไปมองสาวมันก็ดับไปแสดงถึงความเป็นทุกข์ของมันและมันจะเกิดขึ้นก็ตามตั้งอยู่ก็ตามดับไปก็ตามล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยกำหนดไม่ใช่ตามที่เราอยากจะให้เป็น นอกจากนี้มันยังเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเหล่านี้ล้วนแสดงความเป็นอนัตตาของสภาวะราคะทั้งสิน้นผลของการดูจิตและข้อสรุป จิตที่อบรมปัญญามากเข้ามากเข้าถึงจุดหนึ่งก็จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจิตเจตสิกกระทั่งรูปล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิน้นถ้าจิตเข้าไปอยากเข้าไปยึดจิตจะต้องเป็นทุกข์ปัญญาเช่นนี้แหละจะทำให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูลง ความทุกข์ก็จะเบาบางลงจากจิตเพราะจิตฉลาดไม่ไปสายแสหาความทุกข์มาใส่ตัวเองแต่ลาพังคิดคิดเอาในเรื่องความไม่มีตัวกูของกูย่อมไม่สามารถดับความเห็นและความยึดว่าจิตเป็นตัวกูของกูได้จะทำได้ก็แค่กูไม่เช็นตัวกูของกูคือจิตยังยึดอยู่ส่วนการที่จะลดละได้จริง ต้องเจริญสติปัฏฐานจริงๆเท่านั้นครับสรุปแล้วการดูจิตที่ชาวลานทำพูดถึงกันนั้นไม่ใช่การดูจิตจริงๆเพราะจิตนั้นแหละคือผู้รู้ผู้ดูผู้ยึดถืออารมณ์แต่การดูจิตหมายถึงการเจริญวิปัสสนาโดยเริ่มต้นจากการรู้นามธรรมซึ่งเมื่อชำนิชำนานแล้ว ก็จะรู้ครบสติปัฏฐานทั้งสีนั่นเองดังนั้นถ้าไม่ชอบคำว่าดูจิตซึ่งนักปฏิบัติส่วนหนึ่งชอบใช้คำนี้เพราะรู้เรื่องกันเองจะใช้คำว่าการเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานบวกการเจริญจิตานุปัสนาสติปัฏฐานบวกการเจริญธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็ได้ครับ แต่การที่นักปฏิบัติ บ, ตบางส่วนชอบพูดถึงคำว่าการดูจิตก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันคือเป็นการเน้นให้ทราบว่าจิตใจนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงและเป็นการกระตุ้นเตือนให้มันสังเกตพฤติกรรมของจิตเมื่อมันไปรู้อารมณ์เข้าเพราะถ้ารู้จิตชัดก็จะรู้รูปชัดรู้เวทนาชัดรู้กิเลสตัณหาชัดไปด้วย เนื่องจากจิตจะตั้งมั่นและเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงในทางกลับกันถ้าจิตไม่มีคุณภาพคือไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิแม้จะพยายามไปรู้ปรมาทตย์ก็ไม่สามารถจะรู้ปรมาทิต์ตัวจริงได้นอกจากจะเป็นเพียงการคิดถึงปรมาทิต์เท่านั้น ถ้าเข้าใจจิตใจตนเองให้กระจ่างชัดแล้วการจเจริญสติปัะฐานก็จะทำได้ง่ายถ้าไม่เข้าใจจิตใจตนเองก็อาจจะเกิดความหลงผิดได้หลายอย่างในระหว่างการปฏิบัติเช่นหลงเพ่งโดยไม่รู้ว่าเพ่งอันเป็นการหลงทำสมถะแล้วคิดว่ากําลังทำวิปัสสนาอยู่พอเกิดนิมิตต่างๆก็เลยหลงว่าเกิดวิปัสสนาญาณ หรือหลงเผลอไปตามอารมณ์โดยไม่รู้ว่ากำลังเผลอหรือหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์หรือหลงคิดนึกปรุงแต่งอันเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติแล้วคิดว่ากำลังรู้ประมัิหรือสภาวะที่กำลังปรากฏเป็นต้นถ้าเข้าใจจิตตนเองได้ดีพอประมาณก็จะไม่เกิดความหลงผิดเหล่านี้ขึ้น ข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการดูจิตก็คือการดูจิตเป็นวิปัสสนาชนิดเดียวที่ทำได้ทั้งสามโลกคือในกามปภูมิที่เป็นสุคติรูปภูมิส่วนมากและอรูปภูมิแม้แต่ในแนวสัญญานาสัญญาณยตนะภูมิอันเป็นพะวัคคภูมิหรือสุดยอดภูมิของอรูปภูมิ พระอริยะบุคคลที่ไปเกิดในภูมินี้ก็ต้องอาศัยการดูจิตนี้เองเป็นเครื่องเจริญวิปัสสนาต่อไปได้จนถึงนิพพานอันที่จริงสิ่งที่เรียกว่าการดูจิตนั้นแม้จะเริ่มจากการรู้นามธรรมก็จริงแต่เมื่อลงมือทําไปสักระยะหนึ่งก็จะสามารถเจริญสติปัฏฐานได้ทั้ง4ี่อย่างโดยจิตจะมีสติสัมปชัญญะ ต่อเนื่องอยู่ในชีวิตประจําวันนี้เองเพียงก้าวเดินก้าวเดียวก็เกิดการเจริญสติปัฏฐานได้ตั้งหลายอย่างแล้วคือเมื่อเท้ากระทบพื้นก็จะรู้รูปได้แก่ธาตุดินคือความแข็งภายในกายหรือรูปภายในและธาตุดินคือความแข็งของพื้นที่เท้าเหยียบลงไปคือรูปภายนอก อันนี้ก็คือการเจริญกายานุปัสสนาสติปทานแล้วและรู้ถึงความเย็นความร้อนคือธาตุไฟของพื้นที่เท้าเหยียบลงไปเป็นต้นขณะที่เหยียบพื้นนั้นถ้าสติรู้ก็ไปที่ความรู้สึกอันเกิดจากการที่เท้ากระทบพื้นเช่นความเจ็บเท้าความสบายเท้าก็คือการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปฐานแล้ว ขณะที่เหยียบพืนนั้นถ้าพื้นครุขระเจ็บเท้าก็สังเกตเห็นความขัดใจไม่ชอบใจหรือถ้าเหยียบไปบนพรมนุ่มๆสบายๆเท้าก็สังเกตเห็นความพอใจอันนี้ก็เป็นการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วขณะที่เหยียบนั้นถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ก็จะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่ง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนหรือรู้ถึงความทยานอยากของจิตที่ส่งหลงเข้าไปที่เท้าหรือรู้อาการส่งสายของจิตตามแรงผลักของตันหาคือความอยากแล้วหนีไปเที่ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรู้ถึงความเป็นตัวกูของกูที่เกิดขึ้นในจิต หรือรู้ถึงนิวรณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นแต่ยังไม่พัฒนาไปเป็นกิเลสเข้ามาครอบงำจิตหรือรู้ชัดถึงความมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีปีติมีความสงบระงับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิน้นที่เล่ามายืดยาวนี้เพื่อนใหม่ ที่ไม่เคยลงมือเจริญสติสัมปชัญญะจริงๆมาก่อนอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยครับดังนั้นถ้าอ่านและเกิดความสงสัยมากขึ้นก็ลองย้อนมารู้เข้าไปที่ความรู้สึกสงสัยในจิตเลยทีเดียวก็จะทราบได้ว่าความสงสัยมันมีสภาวะของมันอยู่ไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่สงสัยนะครับแต่ให้รู้สภาวะหรือปรมัตธรรมของความสงสัย เมื่อรู้แล้วก็จะเห็นว่าเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นมันจะยั่วจิตให้คิดหาคำตอบแล้วลืมที่จะรู้เข้าไปที่สภาวะของความสงสัยนั้นเอาแต่หลงคิดหาเหตุหาผลฟุ้งซ่านไปเลยพอรู้ทันมากเข้ามากเข้าก็จะเข้าใจได้ว่าความสงสัยนั้นมันตามหลังความคิดมาเป็นการรู้เท่าทันถึงเหตุใกล้ หรือสาเหตุที่ยั่วยุให้เกิดความสงสัยนั่นเองเมื่อรู้สภาวะของความสงสัยก็จะเห็นสภาวะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเกิดขึ้นเพราะความคิดพอรู้โดยไม่คิดมันก็ดับไปเองหัดรู้อยู่ในจิตใจตนเองอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วต่อไป ก็จะทำสติปัฏฐานสได้ในที่สุดเพราะจะสามารถจำแนกได้ชัดว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ออมของจริงและอะไรเป็นเพียงความคิดนึกปรุงแต่งหรือสมมุติบัญญัติที่แปลกปลอมเข้ามารวมทั้งจำแนกได้ด้วยว่าอันใดเป็นรูปอันใดเป็นจิตอันใดเป็นเจตสิก ขอย้ำแถมท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับว่าการดูจิตไม่ใช่วิธีการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดเสมอไปเพราะในความเป็นจริงไม่มีวิธีการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลกมีแต่วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดเฉพาะของแต่ละบุคคลเท่านั้นดังนั้นถ้าถนัดจะเจริญสติปัฏฐานอย่างใดก่อนก็ทำไปเถิดครับถ้าทาถูกแล้ว ในที่สุดก็จะทำสติปัฐานหมดอื่นๆได้ด้วยความคิดเห็นที่37ของสันตินันที่คุณสุภะตั้งประเด็นเรื่องประมาทนั้นขอเรียนสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมโดยสมุติแก่ผู้ควรฟังธรรมโดยสมุติทรงสอนประมาท แต่ผู้ควรฟังปรมัติเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักไม่ใช่เพื่ออวดว่าพระองค์รอบรู้พระอริยสาวกชั้นตน้ตนๆไม่เคยฟังเรื่องปรมัติเลยก็มีแต่ก็รู้ทำได้อันนี้ผมเห็นว่าขอย้ำว่าเป็นความเห็นนะครับเพราะคุณภาพในการฟังของท่านดีเช่น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์จิตที่อบรมมาดีแล้วได้รับธรรมอย่างนี้ก็ทราบว่าความแก่เป็นทุกข์เป็นต้นไม่ไปติดอยู่แค่ว่าคนแก่เป็นทุกข์คือท่านสามารถมองทะลุสมมุติบัญญัติเข้าถึงสภาวะของความแก่ได้เลย อย่างไรก็ตามในมหาสติปัฏฐานนั้นท่านสอนทั้งโดยสมมุติและประมัติที่สอนโดยสมมุติก็เพราะทรงสอนธรรมต้นทางของการปฏิบัติก่อนคือสอนให้ปรับจิตให้มีคุณภาพด้วยการรู้อารมณ์อย่างเป็นวิหารธรรมมีตปะธรรมมีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดียินร้ายในโลกออกจากจิต ผู้ใดปรับจิตให้มีคุณภาพแล้วก็ย่อมสามารถ 1. เห็นอารมณ์ปรมัติโดยความเป็นปรมัติและ 2. เห็นสมมุติโดยความเป็นสมมติส่วนท่านที่อินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จะก้าวกระโดดไปเรียนรู้เรื่องปรมัติทีเดียวลองสังเกตเถิดครับว่าทมที่พระองค์แสดง แม้ในขั้นสมมติบางทีก็แฝงประมาอย่างนึกไม่ถึงอย่างเช่นลองอ่านอริยสัจสี่ดูเถอะครับเช่นทรงสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากจากของรักพบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์แต่ลงท้ายท่านาาาก็มักจะกระโหมว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์และถ้าสังเกตรม ที่ท่านทรงสอนผู้ที่จะบรรลุอรหันต์จริงๆจะเป็นธรรมขั้นปรมัตา์เช่นพระสารีบุตรได้ฟังเรื่องเวทนาพระพาหิยะฟังเรื่องรูปกระทบตาพระมหากรสปะและพระอานนท์สำเร็จด้วยกายกตาสติกายกตาสติสูตรมีเนื้อหาอันเดียวกับกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะครับอันนี้จะไม่ตรงกับวิสุทธิมัก ที่จัดกายคตาสติเป็นสมถะเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานในชั้นพระไตรปิฎกว่าพระองค์เคยสอนว่าจะต้องรู้อารมณ์ปรมัติจึงเห็นไตรลักษณ์คำว่าปรมัติ400กว่าแห่งในพระไตรปิฎกเกือบทั้งหมดอยู่ในกถาวัตถุซึ่งแต่งขึ้นหลังพุทธกาลราว230ราปีเศษที่ผมเรียนอย่างนี้ เพราะเห็นว่าเราต้องซื่อตรงต่อการศึกษาแม้ผมจะเชื่อโดยส่วนตัวเรื่องวิปัสนาต้องรู้อารมณ์ประมัติก็ต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งสอนไว้แต่ผมพบว่าถ้าดาเนินจิตให้ถูกต้องจะเห็นปรามัดแล้วพระองค์ส่งสอนถึงการดาเนินจิตที่ถูกต้องไว้ซึ่งเพียงพอแล้วหากส่งสอนเรื่องปรามัดมากเกินไป พระศาสนาคงไม่ตั้งมั่นลงได้แน่แนเพราะหาคนฟังรู้เรื่องและเข้าใจและปฏิบัติได้ยากเต็มทีเรื่องจิตผู้รู้นั้นขอเรียนว่าจะไม่ใช่การสร้างมโนภาพเพราะการสร้างมโนภาพออกไปเจริญวิปัสสนาไม่ได้ครับแต่ไม่ว่าเราจะชอบคำว่าจิตผู้รู้หรือไม่ ถ้าเราจเจริญสติสัมปชัญญะจริงๆก็จะรู้จักจิตชนิดหนึ่งซึ่งตั้งมันเป็นกลางรู้อารมณ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงครับแต่นักปฏิบัติไปบัญญัติเรียกกันเองว่าจิตผู้รู้ม <S <S เมื่อจิตเป็นของจริงเหมือนที่เจตสิกและรูปเป็นของจริงมันจึงไม่ใช่มโนภาพ แต่ถ้าใครไปสร้างมโนภาพของจิตผู้รู้ไม่ได้รู้เองด้วยปัญญาอันนั้นผิดครับแล้วก็ไม่ใช่การส ร, าสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นก่อนแล้วปล่อยวางความยึดมั่นทีหลังเพราะจะรู้จากจิตผู้รู้หรือไม่ปูุ้ชนทุกคนย่อมเห็นว่าจิตเป็นเราทั้งนั้นและผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ย่อมยึดว่าจิตเป็นเรา จะรู้ตัวหรือไม่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเรื่องจิตส่งออกนอกไม่เกี่ยวกับการรู้อารมณ์ภายนอกและภายในเป็นคนละเรื่องกันเลยครับเพราะเราต้องรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงคือตามที่วิญญาณอย่างลงรู้ลงไปทางใดคำว่าจิตส่งออกนอกเป็นคำบัญญัติของนักปฏิบัติ บ, ตบางกลุ่มที่สอนว่าเมื่อรู้อารมณ์แล้วอย่าหลง อย่าเผลออย่าขาดสติคิดนึกพรุงแต่งตามอารมณ์ไปสำหรับที่คุณรูปนามหนึ่งถามนั้นผมต้องการสื่อว่าพระอริยบุคคลเจ็ดประเภทเว้นแต่พระโสดาปติมภ์หากไปปฏิสนธิในเนวสัญญานาสัญญาญัตนะภูมิก็ไปดูจิตต่อได้ที่นั่นเพราะจิตที่อบรมสติสัมปชัญญะไว้ดีแล้ว มันทำงานได้โดยอัตโนมัติครับพอรู้อารมณ์อันใดมันก็จะเริญนปัญญาตรงนั้นเลยเรื่องนี้เดิมผมไม่กล้าพูดหรอกครับคิดว่าเป็นความรู้ที่แปลกเกินไปแต่ไปเห็นตำราเรื่องภูมิจัตุกะและปฏิสนธิจัตุกะสอดคล้องกันก็เลยกล้านำมาเขียนไว้ ริยสัสตร์แห่งจิตของหลวงปู่ดูลอัตุโลจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ้มแจ้งเป็นมัจผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ้มแจ้งเป็นมิโรธ นนตามสภาพที่แท้จริงของจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อรับอารมณนน์นั้นๆโดยธรรมชาติของมันเองก็แต่ว่าถ้าจิตส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้วจิตเกิดวันไหวหรือเกิดกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นเป็นสมุ ท, ทยัยผลนั้นเกิดจากจิตวันไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นนั้นเป็นทุกข์ ถ้าจิตที่ส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้วแต่ไม่วันไหวหรือไม่กระเพื่มไปตามอารมณ์นั้นๆมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตไม่วันไหวหรือไม่กระเพื่มเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นนิโรธพระอริยเจ้าทั้งหลาย มีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่วันไหวจิตไม่กระเพื่อมเป็นวิหารธรรมจบอริย ส, สัจสีจบหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งเล่มหนึ่ง